มหาวิสันดรชาดกที่จบลงไปนั้นมาจากพระสุตันตปิฎกคุธกะนิกายชาดกเล่มสี่ภาคสาฉบับ200ปีแห่งราชวงศ์จั ก, กรีกรุงรัตนโกสินทร์มหามคุตรราชวิเทลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโกณศูนย์ศึกษาแก่นธรรมวัดเสาหินตำบลหนองหอยอำเภอ จังวัดเชียงใหม่อุปถัมภ์จากครอบครัวคุณชูศรีบุญทองและอุทยานลานารีสอด้วยเหตุแห่งการฝังพระสัธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ พ่งได้เป็นปัจจัยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดายิ่งยิ่งขึ้น